บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติในสูตรที่ทรงใช้คือป้าอายตนปะปปะคือหมวดที่ว่าด้วยอายตนะซึ่งเป็นทางผ่านของความดีความชั่วและสิ่งที่เป็นกลางๆ ในที่นี้ทรงใช้คำว่าสังโยชน์เป็นอาการของกิเลสที่ส ง, งบอยู่ภายในใจของบุคคลโดยปกติแล้วก็จะไม่ผูขึ้นกรุงรุ่งใจแต่เมื่อมีอารมณ์ผ่านมาทางประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึง่งก็จะเกิดความรู้สึกในลักษณะนั้ น, น, นขึ้น แต่ความรู้สึกเวลาสิ่งมีสิ่งผ่านมาทางภาษาสัมผัสนั้นไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเกิดกิเลสเสมอไปอาจจะเกิดธรรมะก็ได้อาจจะเกิดความรู้สึกเฉยๆก็ได้เพียงแต่ในหมวดนี้ส่งสอนในแนวของการเกิดกิเลสซึ่งมว่าโดยภาคของการปฏิบัติในกลุ่มที่เป็นเอตได้เกิดกิเลส ก็ทรงสอนให้บุคคลมีสติระลึลกรู้เท่าทันถึงจิตของเราในแต่ละขณะเมื่อเห็นกิเลสมันเกิดขึ้นก็ต้องเพียรพยายามลดละหรือส ง, งบหรือดับไปตามสมควรแก่กรณีนั้ น, น, นการปฏิบัติเช่นนั้นก็คือเป็นกุศลในส่วนที่เรียกว่าลาบา แต่ถ้าหากว่เป็นกลุ่มกุศลมื่เกิดขึ้นก็ประคับประคองใจไว้รักษาไว้จ้ามีเมตตากุณาเกิดขึ้นก็พยายามรักษาใจให้มีเมตตากุณาไว้ได้ดั่นนานสมาธิบังเกิดขึ้นก็พยายามรักษาความสงบไปเกิดขึ้นได้ดันานก็เป็นส่วนของภาวนาแต่ในขณะเดียวกันกุศลและธรรมเหล่านั้นเองจะทําหน้าที่ปหาหนะะคือละความชั่วให้ ตอนนั้นเมื่อเราวโดยผลแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าสายหนึ่งพูดเรื่องการละชั่วสายหนึ่งพูดเรื่องการทำดีแต่การละชั่วก็คือการทำดีด้วยการทำดีตัวความดีนั่นเองจะทำนาทีละชั่วให้ด้วยแต่ต่างกันในภาษาที่ใช้แต่ก็จะเหมือนกันโดยเนื้อหา ตังโยที่กล่าวมาโดยลำดับ5้าข้อนั้นเป็นเรื่องของโมหะหยับหยาบคือความหลงประเภทหยับๆยา บ, ยาบที่กอให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นปักใจฝังใจไม่ยอมที่จะถ่ายทอนออกมาเรียกว่าเป็นปัญหาทาวารที่มีอยู่ภายในใจของสามัญชนโมหะเหล่านี้เป็นเรื่องที่ เน้นไปในด้านการใช้ปัญญาสักยญาติทิความเห็นเป็นเอถือตัวตั ต, ต, ตนก็สรงสอนในแ น, แนวการใช้ปัญญาเพื่อบุคคลได้ใคร้ครวนพินิปินจนาเจาะลึกลงไปเรื่อยๆจนไปประสบความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีตัวตนให้ยึดถือ ในแง่ขอความเป็นจริงจึงไม่มีทั้งของเราไม่มีทั้งเป็นไม่มีทั้งเป็นเราและไม่มีทั้งตัวตนของเราเป็นการมีในระดับสมมุติบัญญัติแต่ก็สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเพราในความมีนั้นก็พร้อมที่จะไม่มีในความเป็นก็พร้อมที่จะไม่เป็น และในความเป็นตัวเป็นตนก็พร้อมจะแยกสลายคือไม่เหลือความเป็นตัวเป็นตนอยู่เราเห็นว่าบางครั้งก็สงสใัในเหตุนในแนวของการพิจารณร่างกายที่ประสบกับปัญหาคือเกิดแก่เจ็บตายและการพลัดพรากถึงจะเห็นว่าความเป็นเราในขณะนั้นๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตาย การพลาดแสดงในการพลรา ก, กจากของเราไอ้สิ่งที่เราไปยึดถือว่าเป็นของเราเมื่อเราเรียนรู้เรื่องการพลราอดจะน้อยที่สุดก็ช่วยให้เตรียมใจอยอมรับความจริงในขณะที่เราครอบครองมีสิทธิในการใช้สอยก็พยายามใช้สอยเกิดประโยชน์ซึ่งบางครั้งที่ส่งสอนในเรื่องการเวลาการเวลานั้นมันมาให้เราใช้ เป็นของเราถ้าเราใช้ประโยชน์ได้แม้จะโดยสภาพมันจะไม่เป็นของเราก็ตามเพราะว่ามันก็ไหลไปตามจักรราศีใช้ไม่ทันมันก็ผ่านไปใช้ไม่ทันมันก็ผ่านไปโดยความเป็จริงแล้วไม่จะเป็นของเราจริงๆเพียงแต่เราสามารถใช้สร้อยเกิดประโยชน์ได้ถ้ามีปัญญารู้เท่าทันในขณะ น, นั้นะ เราจรึงพบเห็ว่าในชีวิตจริงๆบางเวลาเราก็ใช้ไม่ได้ประโยชน์จากการเวลาันั้นนอกจากมันผ่านมาแล้วยังเอาชีวิตเราให้แก่ตามไปด้วยโดยเราเองไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่บางขณะบางเวลาเราก็ใช้ประโยชน์ได้ในนี้เป็นการสอนทั้งในรูปของสภาวธรรมคือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ถึงความจริง เราสอนในรูปของการเพิ่มธรรมะหรือการลดละความชัว่ววิจิกริศาเองก็เป็นเรื่องของความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจก็เป็นโมหะเหมือนกันไม่สามารถที่จะจับหลักอะไรได้เพราะในแนวนี้จึงส่งสอนในรูปของการเพิ่มปัญญาหรือเพิ่มศรัทธาหรือบางการณีเราไม่มีภูมิปัญญาจะไปวินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นได้ เราก็ใช้ศรัทธาเอาคือเชื่อคนที่ควรเชื่อตึ้รใจเด่นว่าที่มาของความเชื่อนั้นจะไม่สับสนความเชื่อที่เป็นแกนหลักจริงๆในฐานะของพุทธศาสนิกชนก็คือเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระรีส่งในไตรสิกขาแต่ถ้าเรามองอีกทีหนึ่งปรากฏว่าเป็นที่ตั้งของจิตเท่านั้นเอง ผลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงผู้บอกให้พระธรรมก็เป็นเพียงมักคือถนนหนทางที่เราควรเดินกับไม่ควรเดินพระสงฆ์ก็เป็นเพียงบอกให้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแตะติขามันก็เป็นทาง ที่ท่านบอกไว้โดยสรุ ป, ปให้เดินไปตามหลักของศีลสมาธิปัญญาแต่ผลนั้นยังไม่ประจักษ์จะต้องนบนำมาประพฤติปฏิบัติจึงจะสามารถขจัดความเคลือบแคล ง, งสงสัยได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ปฏิบัติความเคลือบแคล ง, งสงสัยก็คงมีอยู่ การปักใจลงไปไม่ได้ความแน่ใจไม่ได้ก็คงไม่จบลักษณะของศิลปัตรปราวัติถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติต่างๆที่เชื่อกันว่าครั้งเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าประสบความสําเร็จซึงจะเห็นได้ว่าในแนวหนึ่งก็เห็นว่ามันหยาบๆเรื่องเลิกผลาญนาทีต่างๆเรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ เรืท่ที่เรื่องปฏิหารแต่เรื่องมางเรื่องนี่แม้จะเป็นความดีแต่ถ้าเป็นความยึดมัน่นถือมั่นว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแม้ในหลักการปฏิบัติกรรมฐาน ท, ที่เราถือว่าพุทโธเท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องสัมมาดา ห, อองหังเท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องยุบหนอวงหนอเท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องเป็นต้นก็ถือว่าผิดเพราะมันเป็นความยึดมัน่นถือมัน่น ทันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ที่จริงมันเป็นถนนมันเป็นมรรคเฉยใครอยู่ในจุดใดจะถนัดเดินไปในทางสายใดก็ไปได้การวิจัยถูกผิดมันอยู่ที่จุดจุดท้ายของการเดินทางมันจะไปปันปจบกันที่นั้นหรือไม่การวิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาไปเห็นตอนผลถ้าเหมือนกันมันก็ถูกต้องด้วยกัน นั่นคือการที่ปัญญาเพิ่มขึ้นจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นมีเมตตากรุณาสูงขึ้นนั่นคือตัวผลที่จะเกิดขึ้นโดยการเดินไปทางสายใดกระามถ้าผลออกมาอย่างนั้นก็ถือว่าถูกต้องซึ่องอาจจะมีตั้งหลายหลายสิบทางธรรมะท่านจึงเรียกว่าโวหารเจศสนาเป็นโวหารเป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อคนนี้พูดกันอย่างนี้เข้าใจก็พูดอย่างนี้ อีกรุปหนึงพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจก็พูดอีกอย่างหนึ่งรือชี้ถนอนอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเราอยู่คนละทิศละทางกันจะบอกถนนสายเดียวกันมันก็ไม่ได้แต่ก็บอกให้เขาเดินไปบนเส้นทางสายนั้นที่จะมีจุดบรรจบให้พบกันได้ลักษณะเหล่านี้ผู้สังเกตว่าเป็นเรื่องของโมหะ การแก้โมหะนั้นก็แก้ด้วยศรัทธาอย่าหนึ่งแก้ด้วยปัญญาอย่างนด่นตัวหลักจริงๆนั้นด้วยปัญญาแต่ศรัทธาคือความเชื่อมันก็มีความผ่องใสภายในใจเกิดขึ้นเนื่องจากกิเลสมันมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันคล้ายๆกสิศสมาธิปัญญามีความเกี่ยวเนื่องถึงกันรเรากิน เรากินเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันคือกระทบกระเทืนถึงกันทั้งส่วนของร่างกายเราในการลดละแม้จะเป็นการเริ่มต้นด้วยโมหะแต่เราพบว่าปริยบุคคลที่ละกิเลสสามขอ้ขอข้อนี้ได้ขาดคือพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีพระโสดาบันนั้นมีโลภะโทสะโมฆะแต่ว่า ไม่แรงถึงกับละเมิดศีลศีลหาประการเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมาความตลอดชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีการละเมิดศีลหน้าประการเป็นการละที่านเรียกว่าสมุดเฉตประหารคือละได้เด็ดขาดอาจจะทำผิดบ้างเพราะว่าท่านจริงๆถ้าก็มีครอบครัวมีลูกมีเ้าเหมือนกัน อานาวิสาขาเป็นต้นก็เป็นพระโสบดับันมาตั้งแต่เจ็ดขวบทั้งแต่งงานมีลูกทั้งยี่สิบคนแต่จะไม่โกรธไม่โลภจนถึงกับทําผิดก็คงโกรธคงโลภเพียงแต่ไม่ถึงกับเป็นเหตุทําผิดจนต้องตกอบายที่ท่านบอกไว้ว่าจะไม่ทําอภิฐานหกจะไม่ทํากรรมที่เป็นเหตุให้ตกนรก มีความทร่พาพราชมีความเผือเฟืเมื่อทำไปแล้วก็จะไม่ปกปิดความชั่วตัวเองจะพร้อมที่จะสารภาพทำให้เราเห็นคุณลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของผลที่เกิดขึ้นจากธรรมปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาแลาอาจจะไม่มีศาสนาใดสอนในโลกสอนเรื่องนี้ในโลกนี้นอกจากพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาสอนให้อวดชั่วไม่ให้อวดดีเมื่เราทำชั่วทำผิดอย่างพระทำชั่วทำผิดก็แสดงอาปัตหรือหนักขึ้นไปกว่านั้นก็ทรมานตนอยู่ ก, ก ร, รมตั้กรอบของพระวินัยหรือหนักขึ้นไปกว่านั้นก็สืการลาเพศออกไปชาวบ้านที่ทำผิดก็รู้ว่าตัวทาผิดก็ขอสมาทานสินใหม่ นั้นแสดงว่ามีการตรวจสอบมาเห็นความบกพร่องก็แก้ไขแล้วก็บอกกล่าวแก่คนอื่นแต่ความดีของตนเองวินัยกำหนดไว้เลยถ้าดีมากๆ เ, เช่นอุตริ ม, มนนสถานห้ามบอกมัก็กลายเป็นคุลลักษณะที่ทรงแสดงว่าคนผานั้นเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะบัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตรวจสอบโทษคนตัวเองเป็นลักษณะ สำหรับคนผ่านแล้วโทษของตนเด่นได้ง่ายโทษพระบุคคลอื่นเด่นได้ยากสำหรับบัณฑิตแล้วโทษของตนเด่นได้ง่ายโทษบุคคลอื่นเดได้ยากเวลามีคนมาสอบถามเรงความดีของตนเองสำหรับบัณฑิตแล้วจะไม่ค่อยพูดถ้าจําเป็นต้องพูดจะพูดน้อยที่สุดแต่พอถามเรงความผิดพลาดของตัวเองแล้วพร้อมที่จะเล่าทั้งหมด นี่แสดงให้เห็นว่าเป็นจิตใจที่ลดอะไรแล้วดูคล้ายๆทําทําอะไรแต่เราต้องมองกลับไปอีกเที่ยวหนึ่งว่าการโฆษณาทั้งหลายนี่ทำโฆษณาทำอะไรเพื่อคนรับรู้รับรู้เพื่ออะไรเพื่อก็ยอมรับน้องถือยอมรับน้องถือแล้วได้อะไร เห็นโฆษณาสินค้าเราก็ได้ขายสินค้าเราได้กาไรเราได้รับรวยโฆษณาความดีเราได้รับการยอมรับนักถือศรัทธาจากบุคคลอื่นคนอื่นก็มาให้ลาบส ก, การะแก่เราแสดงว่าทําด้วยความโลภใช่ไหมก็ตอบว่าเป็นความโลภนั่นคือสิ่งที่เรามองเป็นระบบและจะเห็นว่าคาสอนที่พระเจ้าสอนนั้นมีความละเมยียดระใหม่มาก บางคนกอาจจะสงสัยว่าเอดีมันก็น่าจะอวดมีดีมันต้องอวดกันแต่ว่ามองลึกๆแล้วมันเป็นการสะท้อนโลภะแสดงว่าจิตใจเรายังมีโลภะอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้บริษัทปริวาลคนยอมรับนักถืออยากได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญเหล่านั้นแต่พอถึงความดี ของคนอื่นพร้อมจะยกย่องนักถือสรรเสริญพระความดีของตนเองจะไม่ยอมพูดก็ถามก็จะพูดแต่เพียงเล็กน้อยความช่วองคนอื่นจะไม่ยอมพูดถ้าจะเป็นต้องพูดก็พูดแต่เพียงเล็กน้อยนั่นคือลักษณะที่เราจะเห็นถึงพื้นฐานทางจิตวิญญาณว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดเหล่านั้นการทำเหล่านั้นการพูดเหล่านั้น ถ้าเราเนีก็ไปพูดสงบเมื่อสงบที่โมฆะมันก็ไปสงบที่ราคะสงบที่โลภโ ท, โทสะตามไปด้วยแต่ไม่พระสกิตาคามีซึ่งละสังโยชน์สามข้อนี้เหมือนกันแต่ราคะโทสะโมหะลดลงตามมลดลงขนาดไหนไม่เคยพบหลักฐานว่าพระสกิตาคามีมีครอบครัว แสดงอะไรแสดงราคาลดลงไปมากลดลงไปจนไม่มีความพอใจไม่มีความยินดีในการครองเรือนแต่ท่านก็เป็นกระวาทั้งอยู่ที่บ้านได้มีสามีมีพัญญาก็อยู่กันอย่างเป็นเพื่อนเป็นมิตรผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมด้วยกันนั้นแสดงว่าจริงๆมันดูไปลดที่โล ม, ม, มุหะแต่ไม่ไปลดที่โลพะโทสะตามไปด้วย ตรงนี้เราเพิ่มก็เพิ่มเลยนในส่วนกุศลก็จะเป็นอย่างนั้นผู้ศึกษาทำปฏิบัติทำมาลองสังเกตดูจิตใจก็เราเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งเรามีเมตตาต่อเขาในขณะที่ใจมีเมตตานั้นที่จริงแล้วใจไม่มีโทสะอยู่ด้วยหมาความเมตตานั้นทําหน้าที่สงบโทสะให้ด้วย เราจะโกรธคนอื่นแต่ว่าคนที่เราเมตตาเราไม่โกรธในขณะเดียวกันพอเขาเดือดร้อนเราเกิดกรุณาถ้ามองกลับอีกเที่ยวหนึ่งว่าคนที่เราไม่เมตตาเขาเลยเนี่ยเราจะเกิดกรุณาได้ไหมมันเกิดไม่ได้ถ้าเกิดได้ก็หมายความเมตตาจะเกิดขึ้นก่อนแต่มันเกิดเร็วแล้ว ก, กลายเป็นกรุณณาเวลาเขาประสบความสําเร็จ ในความเจริญก้าวหน้าหายโรคภัยไข้เจ็บเราเกิดมุติตาก็แสดงว่าในความเป็นเมตตานั่นเองมันก็มีความกรุณามุติตาเปรกพร้อมจะแสดงตัวออกมาตามควรแก่กรณีที่เกิดขึ้นแก่คนที่เราเมตตาและในขณะเดียวกันกิเลสที่ตรงกันข้ามกระทบมาเหล่านี้ก็สงบเพราะกับคนที่เราเมตตาเ ร, เราจึงไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยพยาบาท ไม่ค่ยมีความคิดในทางเบียดเบียนไม่มีความคิดในทางริษยาอาจจะมีความพอใจไม่พอใจอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่รุนแรงนั้นแสดงให้เห็นถึงธรรมะก็ทําหน้าที่ของเขาคือนอกจากเพิ่มในสายของเขาแล้วยังไปลดในสายตรงกันข้ามด้วยเพราจึงพบบางอย่างที่พระเจ้าทรงสอนธรรมะเป็นข้อเดียว เพราะเมื่อธรรมะข้อนี้เกิดแล้วก็ดึงพวกพว ก, พวกพวกพ้องตัวเองเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็เกิดเป็นพลังร่วมกัน้ายจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามออกไปพัะสนะของการลดละสกยตทิติวิจิกิจฉาสีระพัตปรมาน่นคือความเห็นเป็นเหตุถือตั ว, ถ, ตวถือตนความเครียบแครงสงสัยการถือมัน่นด้วยศีลด้วยว า, ขขาทศิข้อปฏิบัติที่เข้าใจการปักใจการยึดถือกันว่าครั้งว่าศักดิ์สิทธิ์ว่า เป็นทางถูกต้องดีงามเพียงอย่างเดียวเป็นตน้นให้ลดละลงไปซึ่งก็หมายความว่าโลภะราคะโทสะก็ลดตามไปเลยในส่วนที่สี่ที่เรียกว่ากามราคะกรรมากามราคะนั้นเป็นกิเลสประเภทโลภะ ตามปกติแล้วจะใช้ไปสองแนวถ้าเป็นการเหนีวนึกตรึกนึกไปในทางเพศเขาเรียกว่าราาักษาแต่เหนียวนึกตรึกนึกไปในทางวัตถุสิ่งของก็ เ, เรียกวิโลพาแต่ลองสังเกตว่าไอ้ทางเพศก็ดีแต่วัตถุสิ่งของก็ดีมันก็คือกามาคุณแปบลบว่ากลุ่มของสิ่งที่ก่อให้เกิดความใครี ประเดี๋ยวอีหนึ่งวัตถุกรรคือวัตถุเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่ของความใคร่หมายความความใคร่ของบุคคลจะกําหนดว่ก็กําหนดที่ตรงนั้นกําหนดที่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนนแข็งเป็นอารมณและตรงนั้นเองก็คือเป็นที่ตั้งของราคะด้วยเป็นที่ตั้งของโลฏฐพย์ด้วยแต่จริงๆก็เป็นที่ตั้งของโทสะด้วยที่ตั้งของโมหะด้วย เันบางครั้งเนี่ยพระเจ้าทรงสรุปแสดงว่าคนผ่านทั้งหลายอาศัยร่างของกระดูกที่มันต่อ ก, กันประกอบด้วยโครงกระดูกประกอบด้วยกระดูกเกือบสามร้อยตนและชาบไว้ด้วยหนังมัดไว้ด้วยเส้นเอ็นใหญ่เส้นเด็นน้อยแล้วหุ้มไว้ด้วยหนัง อาชาไว้ด้วยเนื้อแล้วก็หุ้มไว้ด้วยหนังหรือรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นเนี่ยมันกลับเป็นที่ตั้งของสารพัดเรื่องเป็นที่ตั้งของตันหาเป็นที่ตั้งของมานะเป็นที่ตั้งของทิ่สิ่นั้นก็ของเราของเราอนั่นก็เป็นเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเราก็มันก็เกิดขึ้นมาทั้งทั้งที่ไอตัวคำว่าเราเองมันก็เป็นเรื่องของการเกาะกลุ่มกัน แต่ก็พร้อมที่จะเป็นที่เกิดเป็นที่ตั้งของกิเลสแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นที่ตั้งที่เกิดของธรรมะได้เพราะเราจึงพบ ว, ว่าร่างกายนี้มันปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่มองอย่างไรคิดอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรต่อร่างกายเนี่ยพระหานท่านก็บรรลุอย่างพระปัญญพคีท่านก็บรรลุโดยดูร่างกายนี้ ไปนคนที่ตกนรกหมกไหม้ไปก็เพราะอาศัยร่างกายนี้ต้องการปลนป ล, นปลื้มต้องการสนองต่อบความต้องการของร่างกายดีแล้วก็ประกอบกระทําสิ่งที่เป็นบาปเป็นเป็นอกุศลทุจริตนําความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองการเรียงสังโยชน์ในชุดนี้คือได้โปรดสังเกตว่าสังโยชน์นั้นที่จริงมีหลายชุดแล้วก็ที่แพร่หลายจริงๆก็มีอยู่สองชุดใหญ่ๆ ในเวลานำมาบรรยายนะมาพูดเพจะพูดชุดนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นการเรียงตามลำดับที่พระอริยบุคคลนั้นละได้ทำให้เราอ่านแล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยจะมองอะไรได้ตั้งหลายหลายอย่างบางแห่งมันเรียนสลับปนครางกันมันต้องอธิบายไปทีละข้อ แต่ทั้งหมดเนี่ยจะเรียงยังไงก็ตามก็คือโลภะโทสะโมหะรนดับสังโยชน์ชุดไหนได้ชุดใดชุดหนึ่งได้ชุดอื่นมันก็ดับหมดเพราะมันต่างกันเฉพาะชื่อเฉพาะลำดับที่เรียงแต่มันจะเหมือนกันโดยเนื้อหาคือเป็นโลภะโทสะโมหั oh นด้วยกันลักษณะของกามรมารัคา เฉพาะในชั้นนี้ท่านพูดถึงกิเลสที่มีความประณีตมีความกำหนัดในวัตถุที่ประณีตมีความพอใจติดใจในวัตถุที่ประณีตขึน้นแต่ว่าสมัครคนทั่วไปการมราคะก็คือการมราคะหมายความความกำหนัดอาจจะเกิดในวัตถุสิ่งของอาจจะคนอาจจะสัตว์อะไรก็ตามเพราะว่าการมราคะนั้น หรเหมือนก็นโลภะไอหลงระเกตเราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เลือกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของมันโลกหมดไปเลยมันอยู่ที่เราชอบถ้าเราชอบเราก็อยากได้ทั้งนั้นแม้แต่สิ่งเดียวกันก็อยากได้ทั้งมากมายไกลก็ราคะมีลักษณะอย่างนั้นโลภะมีลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่มีจุดเน้นต่างกันโดยเนื้อหาแล้วเขาก็เหมือนกันเพราะเป็นกินเลสประเภทเดียวกัน การแสดงนั้นชงสอนในแนวที่มันถ้าพูดกับชาวบ้านเนี่ยพระเจ้าจะมักใช้คำว่าโลภะถ้าพูดกับพระมักจะใช้คำว่าราคะแต่ว่าจุดเน้นต่างกันดังกล่าวแล้วนั้นกิเลสประเภทการาคะมันก็ต้องมองในจุดที่เรากำเนิดตัวมองก็คือใช้ปัญญาพิจิพิจารณาอีกเช่นเคย เพอถ่ายถอนเพื่อลดเพื่อความจางไปคลายไปของความไข้ความประสาในอารมณ์เราดันพูดโดยหลักปฏิบัติจริงๆแล้วในท่านตัดขาดไปได้นั่นคือพระนาคามีคนตัดกิเลสประเภทนี้ระดับนี้ขาดได้เนี่ยมีเฉพาะพระนาคามีขึ้นไปก็สรุปว่ามีคนสองระดับต่นนั้นเองคือพระนาคามีกับพระอระหันต คระเภอื่นทําได้ระดับสงบหมายความว่าระับใดที่จิตใจท่านอย่างเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยกรรมราคะจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าในจิตใจที่เป็นสมาชิหรือสงบระดับเป็นพรมหรือว่าสงบระดับเราจเจริญสมาชิเนี่ยก็ตราถนาที่สมาทิยังมีอยู่กรรมราคะก็ฟูขึ้นไม่ได้ เมื่อสมาธิมันเสื่อมได้เมื่อสมาธิเสื่อมได้กรรมราคะก็ฟูขึ้นมาได้แต่แค่ในห้องนี้ในขณะที่มีความเย็นยังอยู่แต่ความร้อนเกิดขึ้นไม่ได้แต่ความเย็นก็ดับได้แต่ความเย็นดับความร้อนก็เกิดขึ้นมาได้พวกกลุ่มของสังโยชน์ทั้งหลายซึ่งในทีน่นี้ทรงเรียกคำว่าสังโยชน์ในที่อื่นอาจจะเรียกอย่างอื่น ทงโสให้มองในแนวของการพิจารณาเห็นโทษต้นจะเห็นว่าในความเป็นกามรม า, คารคะในความเป็นโลภะถามว่าอยากได้ทําไมก็เพราะหลงมีความใคร่เป็นความกหนาดทาไมก็เพราะหลงแต่ในความอยากได้ดันเองมั น, ม, นมันมีความโกรธก็แฝงอยู่ด้วยแล้วก็มีความทุกข์ก็แฝงอยู่ด้วยในวัตถุเดียวกันที่เราอยากได้สิ่งนี้ มีคนขัดขวางเราจะเกิดโกรธคนนั้นได้นดนขวนขวายแล้วปรากฏว่าไม่ได้มันจะเกิดความขับแค้นจะเกิดความทุกเกิดความโทมนัสขึ้นมาแสดงว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าตรงนั้นเราลดกรรมราคะลงไปโทสะมันก็ไม่เกิดในขนาดเดียวกันได้หรือไม่ได้ได้ก็ไม่ดีใจ ไม่ได้ก็ไม่เสียใจทุกมันก็ไม่เกิดแต่วาการที่จิตจะเป็นเช่นนั้นได้จะต้องมีปริมาณปัญญาสติมากพอที่สามารถระลึกรู้เท่าทันแล้วก็ลดตลอดถึงตัดกระแสของความอยากที่บางเกิดขึ้นในอารมณ์ดันั้น ในการปฏิบัติทั้งหมดนั้นเป็นส่วนของปริยัติเราจะเห็นว่ามีความหลากหลายในการชี้แจงในการอธิบายแต่ว่าโดยภาคของการปฏิบัติแล้วนี่ถ้าเน้นเฉพาะการปฏิบัติหมายความด้วยผลของการปฏิบัติจะมีปริมาณของธรรมะ น, มนีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นั้นปริมาณกิเลสก็จะลดลงลดลงเชีงยงเดียวกรับประทานอาหารความอิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความหิวก็ลดลงลดลงพออิ่มเต็มที่หิวก็หมดไปอย่าแรงกำลังวางชาก็จะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้ น, นเพราะในส่วนเหล่านี้การมองจากสายของอยายตนะภพะ ทรงเน้นย้ำในรูปของการมีสติระลึกรู้ทันพอเหงนกิเลสเกิดขึ้นก็รีบดับรีบบรรเทารีบสงบเสียถ้าไม่เกิดมันกลายเป็นกุศลก็เป็นกลุ่มธรรมะอีกแนวหนะึ่งที่สงสอนในรูปของการประคับประคองประการรักษาไว้แต่จะโดยการปฏิบัติในแนวใดก็ตามจะก่อเกิดผลที่เป็นความคืบกูลต่อคุณภาพของจิต นั่นคือการเพิ่มพูนขึ้นแห่งปัญญาแห่งความบริสุทธิ์แห่งความเมตตากราุณาที่แผ่ออกไปต่อตอนเองเรื่อยๆไปจนถึงเป็นสะเพสะตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต่อจานี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป